พราะว่าตัวเรามักจะขึ้นกับสภาพแวดล้อมบางคนห้าปีผ่านไปเนี่ยกลายเป็นอีกคนหนึ่งเข้าใจไหมครับหรือเพียงปีเดียวหรือเดือนเดียวเนี่ยพูดก็ไม่รู้เรื่องแล้วครับเพราะความเปลี่ยนแปลงในภายในแต่ว่าถ้าคนใดที่เจริญสี่แล้วนะครับเข้าถึงสภาพตายตัวนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงครับเพราะมโนโกติได้ถูกพิสูจน์ผ่านทางการปฏิบัติเข้าใจไหมครับ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 ที่เด่นชัดมากแล้วก็ง่ายมีพระราชาคนหนึ่งครับองค์หนึ่งขึ้นรับราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินใหม่แต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ดีมีสานึกมีความรับรับผิดชอบสูงดังนั้นจึงเกิดคำถามขึ้นสามข้อในใจของพระองค์ครับ มนุษย์เราควรจะทำอะไรดีควรจะทำสิ่งใดดีแล้วควรจะทำกับใครดีแล้วควรจะทำเวลาไหนดีก็เรียกนักปรารถนาชนิตในล่าสัมนักมาถามแต่ละคนก็มีคำตอบต่างๆมานา น, นักปรารถนบางคนบอกว่าเราควรจะขยายอนณาเขตให้กว้างขวาง บางคนก็ตอบอย่างนนต่ออย่างนี้พระเจ้าแ่ดินไม่พอประทัยเลยนะครับเพราะรู้นแล้วแต่ไม่มีเหตุผลเพราะพระเจ้ามดินเป็นคนฉลาดมากมากพระเจ้ามดินก็ค้างปัญหานี้อยู่นะ <c oughs> ม, มนุษย์เราควรจะทำอะไรดีมนุษย์เราควรจะทำสิ่งดีนั้นกับผู้ใดก่อนอื่นแล้วควรจะทำในเวลาใดดีด ต่อมาได้ยินข่าวที่ภูเขาลูกหนึ่งมีฤาษีที่เป็นคนมีปัญญาสูงอยู่รูปตนหนึ่งรูปหนึ่งพระเจ้าดินินก็คิดจะไปถามปัญหานี้แต่ก็คิดว่าถ้าไปภายใต้เครื่องแบบของพระเจ้าดินินก็คงได้คำถามได้คำตอบซึ่งไม่เด่นชัดอยางกนนั้นเลยต้องปลอมเป็นราษฎรสามัญ พระเจ้าแผ่นดินก็ปรอมกายเป็นชายตัดฟืนแต่พร้อมนั้นจริงๆนะพระเจ้าแ่นดินมีศัตรูมากก็เลยให้ทหารราชองคลักษ์ปรอมกายไปด้วยครับปรอมตัวไปติดตามไปหาเพื่อคุ้มครองอันตรายให้พระเจ้าแผ่นดินไปถึงตีนภูเขานั้นเวลาเย็นมากแล้วครับ รับสั่งให้พวกทหารที่ปลอมกายมาเป็นชาวบ้านนั้นลายล้อมที่ตีนเขาไว้และตัวเองโดยผู้เดียวขึ้นไปที่ที่ฤาษีอยู่พอขึ้นไปถึงก็เป็นเวลาที่พระเพรศเดงก็เห็นชายแก่คนหนึ่งนั่งหอบอยู่ข้างๆางกระท่อมดินก็เพราะว่าฤาษีนั้นผอมมากครับ แล้วปลูกผักกินด้วยตัวเองมันยอดดกผู้ชาัมาดินนั้นเปนคนเอือเฟือมากมากนะฮรก็เห็นฤศีกําลังจวกดินโกเกกโกเคเกกตามภาษาคนผอมๆก็เข้าไปช่วยครับช่วยคือดินเสร็จพอได้โ อ, อกาส ก, ก็ถามฤศีว่ากระผมได้ยินว่าท่านเป็นคนมีปัญญามากใครจะถามปัญหาสักข้อหนึ่งว่าคนเราควรจะทำอะไรดี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 คือนั้นเนื่องจากพระเจ้ามผนินช่วยขุดแปลงผักหรือสีครับเมื่อีพระองค์ท่านก็ไม่ใช่ชาวนาชาวสวนก็ล้มกายลงหลับแต่หัวค่ําเลยด้วยความเหน็ดเหนื่อยตกดึกขึ้นมานะฮะรู้สึกว่ามีประตูเนี่ยมันเปิดผาดลงมาแล้วก็มีชายผู้หนึ่งมีเลือดโชคทั้งตัวมันล้มลงที่หน้าเตียงของพระเจ้ามผนดินเจ้านี่ก็ตกใจลุกขึ้น ที่แรกคิดว่าเป็นศัตรูก็เห็นมันชายซึ่งบาดเจ็บนังก็เลยสลัดความม่วงเหงาหาวนอนะครับก็ช่วยชำระบาดแผลพันโน้นพันนี้กว่าจะเรียบร้อยก็ดึกโขละพราเจ้าเน้นเนพลียมากก็เลยล้มตัวลงนอนหลับสนิทตื่นอีกทีใกลสว่างครับแต่ตื่นคราวนี้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 ข้าพเจ้ามีพี่คนหนึ่งซึ่งพระองค์ท่านสั่งให้ประหารชีวิตแล้ววันนี้เขาสืบทราบมาว่าพระเจ้ดินพร้อมพระองค์มาที่ภูเขาลูกนี้ mm hmm. เขาก็เลยคิดจะมาล้างแค้นให้พี่ชายแต่บังเอินถูกพวกราชบุรุษที่ปลอมการเป็นชาวบ้านครับจับได้แล้วก็ถกูกทําร้ายร่างกายสาหาัสแต่เขาก็หนีขึ้นมาจนได้แล้วพอ เจ้ิมณีนช่วยเหลือไว้เขาก็รู้ว่าพระเจ้ามดินช่วยเขาแต่พอตกดึกความแค้นที่พี่ชายถูกฆ่าก็ยังคุกรุ่นเลยเขาคิดจะฆ่าตั้งหลายครั้งแต่พระเจ้าินมณี่หลับอยู่ไม่รู้ตัวแต่เขาทาไม่ลงพราะเขาเนยมาเห็นประจักษ์ว่าแท้จริงพระเจ้ามณินเป็นคนดีมากๆเขา้าใจไหยครับทกลงพอลุกเช้าขึ้นมาพระราชาหรือพระเจ้ามดินก็ รีบไปหาฤศี่เชา้าจะเล่าเรื่องให้ฟังแล้วพระเดลก า, กากถามว่าผมมาที่นี่เนี่ยอยากถามปัญหาสามข้อคือมนุษย์เราควรจะทำอะไรดีควรจะทำกับใครดีและทำเมื่อไหร่ดีฤศีที่นี่ฤศีดเขายิ้มครับก็บอกคำตอบมีอยู่เรียบร้อยแล้วต้องมาถามอาตมาทำไมพระเจ้าดินงงงว่างครับไม่เข้าใจ ก็ครั้งแรกสุดที่เจอเห็นเรากำลังขุดดินเธอก็เข้ามาช่วยดังนั้นคำถามข้อที่หนึ่งก็ได้รับคำตอบแล้ว่าเราควรจะทำอะไรดีเราก็ควรทำความดีนั่นเองเข้าไแล้วพระองค์ท่านก็ปฏิบัติอยู่แล้วนี่นะทุกครั้งอย่างคนป่วยเจ็บสาหัสเข้ามาพระองค์ท่านก็ทาดีนี่นะแล้วคำถามที่สองที่ว่าควรจะทำกับใครดีก็ทำกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราอย่างไร และท่านก็ปฏิบัติอยู่แล้วนี่นะแล้วถามทําเมื่อไหร่ดีก็คือในปัจจุบันทันใดนั้นยังไงละ่ะพระเจ้าแผ่ดินก็หัวโล่งกันมาทันทีแล้วรีบกลับพระราชวังได้หลักที่จะปฏิบัติในชีวิตแล้วมนวุษย์เรานั้นควรจะทําสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ดีนั้นไม่ใช่เพียงมนโนกติลอยๆคือต้องทํากับคนที่อยู่ข้างหน้าเราเช่น คนบางคนจะไปวัดทะละกันเองสิก่อนคนอยู่ข้างหน้านี่เรียกว่าฟาดกัน <laughs> <laughs> เพื่อจะไปทำความดีอย่างนี้เรียกว่าทาให้ถูกต้องครับคนบคนเป็นนักอุดมคติมิวดงคติสูงต่ไม่ยอมเอื้อเฟื้อให้คนก่าซึ่งขึ้นรถเมล์แล้วไม่มีที่นั่งโหนตรงต่างคิดจะทำความดีแต่ว่าคนอยู่ข้างหน้านี่ไม่ยอมเห็นและไม่ยอมทำด้วยเข้าใจไหมครับ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 สมณะอะไรเรนนี้เนีชื่อว่ากุลบุตนั้นได้ปกป้องอันตรายที่พึงเกิดเสียแล้วปกปิดเแล้วเราควรจะทำสิ่งที่ดีนะครับการทําสิ่งที่ดีนี้มันเป็นคําพูดซึ่งกว้างส่วนรายละเอียดนั้นเราหาเอง mm hmm. การจับไม้กวาดขึ้นกวาดขยะในโรงทํามนี้ดีนะครับเป็นการกระทําดีหรือทําชั่ว mm hmm. ง่ายมากแล้ว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 เรื่องที่ว่าเนื่องจากตัวตนของเราเป็นสภาพซึ่งโยกโครงเราไม่รู้จักตัวตนที่แท้ของเราเนี่คืออะไรแน่ดังนั้นเราต้องทา ง, งานใช่ไหมครับเพื่อจะได้รู้จักตัวเราเนี่ยมีสภาพที่เสถียรที่สุดสถาวรที่สุดอยู่ตรงไหน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 นี่ครับศึกษาเราเคลื่อนมืออยู่อย่งี้เราก็มังศึกษาตัวเราอยู่เมื่อศึกษาเข้าไปแล้วเราก็จะพบตัวเราซึ่งเป็นมนโนกติซึ่งเปลี่ยนแปลได้เช่นบางโอกาสมันหลอกลวงบางทีศัพท์วิชาการเรียด ว, วิปัสสนุอุปกิเลศเกิดรู้สึกกับตัวเองเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเป็นพระอหรหันเนี่ยนี่คือมนโนกติเนี่ยแต่ไม่อเช้ามืน่นั้นอ้าวเกเลศยังเกิดอ้าวมันเปลี่ยนอีกแล้วเข้าใจไหมครับ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 เงินใช้ทองฟุง่เืยจริงๆไม่รู้จักตัวเองเลยครับแต่พลเรลงมือทำงานเท่านั้นไม่เช้าไม่นานเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเรามีความสันทัดจัดเจนหรือมีทักษะในทางใดบ้างที่เราถนัดที่สุดทุกๆคนจะมีสิ่งที่เองถนัดครับบางคนนี่ถนัดพูดบางคนถนัดเขียนบางคนถนัดร้องบางคนถนัดรา แต่ถ้าไม่ลงมือศึกษาจะไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยถนัดทางไหนเน้าากนี้ครับรวมความเลเพราะว่าเราจะค้นพบมนโนกติที่ถึงจุดสติก็ด้วยการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่นั่งนึกว่าอ้ยอีกหน่อยเราก็หลุดพ้นอย่างนี้ฝันครับทบทวนอีกทีเนึงนะ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 ไม่เห็นดีไม่เห็นชั่วอะไรก็ใครดังนั้นที่ว่าเราควรจะทําทําดีอันนั้นว่าในระดับที่ว่าหลังจากเรารู้สึกตัวดีแล้วเราควรจะทําสนองคุณงามความดีนี่ครับเช mm hmm. ่นการช่วยสงเคราะห์ผู้อื่นอย่างนี้จึงเรียกทําดีจะพูดบอกว่าผมไม่ทําชั่วก็พอแล้วไม่ได้ครับเอาล่ะผมจะยกไปสู่ที่พระเจ้าตรัสเองมาให้ฟังนะคว่า เกณตัดสินคุณความดีหรือขีดความสามารถของมนุษย์หรือมโนกติที่สมบูรณ์พระเจ้าท่านคิดของท่านอย่างไรท่านบอกบุคคลพึงมีศีลที่บริสุทธิ์คือความประพฤติทางกายทางวาจาต่อผู้อื่นต่ อ, อทางสังคมนี้อย่างบริสุทธิ์ใจที่ว่าเป็นผู้มีศีลแล้วท่านก็บอกว่าความเป็นผู้มีศีลบริสุทธ น, นั้นยังไม่พอ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 แต่ว่าถ้าในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยพอรู้สึกคนน้นทำกําลัดีล้ำหน้าเนี่ยเราชักไม่กระชอบคือชักลิษยาขึ้นนั่นแสดงว่าฐานของเราไม่พอครับทบทวนใหม่อีกทีนึงครับว่าจากนิทานเรื่องที่ว่าเจ้านายผมมันผู้มีพลังมหาศาลจงใช้งานผมไม่นั้นผมจะทำลายเจ้านาย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 บ้างชื้อได้ร้อเรียนคนที่ชอบคิดหรือคลั่งความดีแต่ไม่ยอมทําความดีในเบื้องหน้านั้นอย่างนี้นะครับว่า mm hmm. คราวหนึ่งมีชายคนหนึ่งเขาไปตลาดเขาจะไปซื้อของที่ตลาดแล้วเขาพบปลาตะเพียนตัวหนึ่งเนี่ยกําลังดิ้นอยู่ในแอ่งน้ําซึ่งกําลังแห้งลงทุกทีชายคนนั้นก็พูดกับปลาตะเพียนว่า เดี๋ยวนะี่ยผมไปดูหนังในตลาดก่อนเดี๋ยวจะกลับมาเอาน้ำมาใส่ในในในหลุมที่คุณอยู่ปราตะเพียนก็นตะโกนว่ากว่าคุณจะกลับผมก็ไปแล้วทําไมคุณไม่ช่วยผมเดี๋ยวนี้นิทานเี่เรื่องหนึ่งของจางซื้อนะครับซึ่งซึ่งดีมากเรื่องนี้ผมชอบมากเหมือนกันมีชายคนหนึ่งนะครับจะเรียกคน ชนิดไหนเดี๋ยวก็รู้เขารองเท้าขเขาขาดขณะที่เขารู้รองเท้าขเขาขาดเป็นเวลากลางคืนเขาคิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปที่ร้านขายรองเท้าจะซื้อรองเท้าสักคู่หนึ่งก็คือคล้ายๆเป็นคนบาจี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 ก็ทำกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราของจริงๆมันอยู่ตรงนั้นไม่ต้องมานั่งนึกว่าแหมเราถ้าเราเจอชายคนหนึ่งที่น้าทางหน้าเรื่องสายเนี่ยเราจะทำความดีให้เขาอย่างนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นอุดมคติซึ่งเลื่อนลอยมากๆ ต้องย้อนมาทบทวนอารมณ์ดูครับคำทบทวนอารมณ์หมายเหนื่อยร ค, รคือเมื่อเราปฏิบัติกรรมฐานนี่ครับเราจะต้องมีอารมณ์กรรมฐานอยู่เหมือนกับชายคนหนึ่งนะครับผู้หนึ่งนี่จะเดินไปจะไปที่ท่าท่าเรือบ้านดอนเนี่ยพอตั้งใจที่จะไปบ้านดอนนะครัแต่แล้วเดินไปถึง ปากซอยตรงนี้ลืมก็ว่าจะไปไหนมันก็เลยเดินวนไปวนมาไปไม่ถึงดังนั้นเมื่อเราทบทวนอารมณ์นั่นนีครับคือเราต้องมีอารมณ์อยู่อารมณ์ในที่นี้ผมไม่ได้หมายความรักความโกรธความเกลียคนละความหมาย น, นครับคือเราต้องมีอารมณ์ปฏิบัติครับเช่นเมื่อเราเคลื่อนมืออยู่ น, นเรื่องนี้ถ้าจะเปรียบทางโลกก็คือแบบผู้หญิงผู้ชายเขา เขาเกี่ยวฟาราสีเนี่ยเขามีอารมณ์ต่อกันเข้าใจไมมันคุยกันได้ตั้งครึ่งคืนไม่ง่วงด้วยหรือคนที่เล่นมิเลียดบางทีสามวันสามคืนเดินตั้งหลายสิบกิโลแต่มันไม่เหนื่อยคือมันมีอารมณ์อยู่ในนั้นครับนั่งคุยกับผู้หญิงไปไม่รู้กี่ชั่วโมงไปกี่ไมคก็ไม่รู้ไม่สนใจทั้งนั้นนี่เปรียบไปทางโลกนะครับเมื่อเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องมีอารมณ์คล้ายๆอย่างนั้นแหละ คือเราต้องหล่อเลี้ยงอารมณ์ปฏิบัตินีิไว้นะแล้วโดยการทบทวนนะครับเซนทบทวนกันลองพลิกดูสมมุติว่าในวันหน้าเรากำลังเป็นแม่ครัวผัดข้าวอยู่นะครับพอมันฟุ้งซ่านเข้าไปในความคิดนี้คุณจะทำไงดีครับรีบวางกระทะแล้วมันนั่งยกมือข้าวก็ไหม้หมด <laughs> ทําไงดีครับ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 ปิดปรตูหงนอนแล้วแก้ผ้านอนกลางพื้นเนี่ยผมพูดไปอย่างนั้นแต่แกทําจริงๆสองวันเราบอกแม้มันดีจริงๆอาจารย์เพรแก้ผ้าออกนอนกลางพื้นเนี่ยมันตกใจตัวเองเลยลืมโกรธดังนั้นผมยังบอกพวกเราครับเวลาง่วงเราต้องต่อสู้ครับแล้วต่อสู้อย่างไ ร, ร้รูปแบบ ฟุ้งซ่านมากก็ตกหน้าตัวเองทีสองทีเป็นลาไปครับไม่ต้องไปหาตำรวจมาจับด้วยคือตกหน้าตัวเองถ้าคุณเดินจงกลมอยู่แล้วง่วงนอนนะครับหยุดยืนแล้วเดินถอยหลังมันจะได้หวัดเสียจะหัวหัวกรเมาจะได้หายง่วงเราต้องต้องแก้ไขตัวเองอย่างนี้ครับหากคนบ่ายแล้วเมื่อเราทํามันสําเร็จของเรานะครับนั่นเป็นของเราแล้ว เขาใจไมคเคล็ดนั้นเป็นของเราแล้วเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันฮปัญหาเหมือนไม่เหมือนกันดังนั้นที่ผมพูดผมพูดคุมครุมไปเท่านั้นนะพูดกลางๆคุมครุมไนแต่ส่วนรายละเอียดคุณต้องไปหาเองครเพราะแต่ละคนมีธาตุไม่เหมือนกันมีแนวโน้มเองไม่เหมือนกันมีภูมิหลังไม่เหมือนกันดังนั้นต้องต่อสู้เพื่อที่จะรู้จัก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 พอตอนรู้ความหลงก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้เข้าใจไหมครับเหมือนกับตัวเดียวกันนี่ครับพอไม่รู้ตัวก็หลงพอรู้ตัวมันก็ไอความหลงก็หายไปเหมือนดอกบัวที่ผมยกอย่างดอกตูมกับบานที่จริงมันดอกเดียวกันพอมันบานมันก็ฉีกความตูมออกไ อ, กอกความตูมก็หายไปทันที